ข้อคะแนนที่จะให้ผลในอนาคตชาติข้อหนึ่งพ่อแม่ลบหนึ่งคะแนนสำหรับการผูกเวรกับพ่อแม่ที่ไม่ดีและหรือสำหรับการทิ้งขว้างลูกศูนย์คะแนนสำหรับความไม่แน่นอนในการให้อภัยพ่อแม่ที่ไม่ดีและหรือ สำหรับการรับผิดชอบลูกอย่างไม่คงเส้นคงวาบวกหนึ่งคะแนนสำหรับการอภัยพ่อแม่ที่ไม่ดีและหรือเลี้ยงลูกด้วยความรับผิดชอบเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกนอกจากนั้นยังเหมารวมถึงกรรมดีที่สั่งสมมากแล้วให้ผลเป็นการได้โอกาสเกิดกับพ่อแม่ที่มีบารมีรองรับกันได้ด้วยข้อ2เพศลบหนึ่งคะแนน สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ที่ผิดศูนย์คะแนนสำหรับความไม่แน่นอนในการควบคุมความประพฤติทางเพศบวกหนึ่งคะแนนสำหรับความซื่อสัตย์กับคู่ของตนข้อ3รูปร่างหน้าตาลบหนึ่งคะแนนสำหรับความเป็นคนตรนีและหรือความเป็นคนมีศีลบกคร่องเป็นประจำศูนย์คะแนน สำหรับความเป็นคนเอาแน่เอานอนในการให้ทานและรักษาศีลไม่ได้บวกห น, นึ่งคะแนนสำหรับความตั้งมั่นในทานและศีลเมื่อให้ทานก็ให้ด้วยน้ำจิตเคารพศรัทธาเมื่อรักษาศีลก็มีความปราบลืมในศีลอันสะอาดของตนไม่ได้ให้ทานและรักษาศีลด้วยความฝืนใจข้อสแก้วเสียงลบห น, นึ่งคะแนน สำหรับการพูดโกหกพูดหยาพูดส่อเสียดกับพูดเพ้อเจ้อเป็นประจำศูนย์คะแนนสำหรับเป็นคนเอาแน่เอานอนในการพูดดีหรือพูดร้ายไม่ได้บวกหนึ่งคะแนนสำหรับการพูดจริงพูดสุภาพพูดถนอมน้ำใจกับพูดอย่างมีสติเป็นประจำและหรือสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยศรัทธาอันเกิดจากความเข้าใจและหรือ ใช้เสียงเป็นธรรมทานอันทำให้เกิดความเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องข้อ5สุขภาพลบห น, นึ่งคะแนนสำหรับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจำศูนย์คะแนนสำหรับความเอาแน่เอานอนไม่ได้กับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบวกห น, นึ่งคะแนนสำหรับความตั้งมั่นในการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและหรือถวายยาจาเป็น หรือการรักษาแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำข้อ6ฐานะลบหนึ่งสำหรับการเป็นคนตรนีและหรือหาเลี้ยงตัวด้วยความช่อชนคโคดกงศูนย์คะแนนสำหรับความแม่แนนอนในการให้ทานและวิธีหาเลี้ยงชีพบวกหนึ่งคะแนนสำหรับการให้ทานด้วยจิตเคารพศรัทธานในบุญและมีความคิดอนุเคราะห์แก่ผู้รับ ข้อเจ็ดที่อยู่อาศัยลบหนึ่งคะแนนสำหรับการเป็นมือลอบวางเพลิงไม่เพียงครั้งเดียวและหรือทำให้บริวารเกิดความคับใจในที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมากศูนย์คะแนนสำหรับการไม่มีบุญหรือบาปเป็นพิเศษเกี่ยวกับที่พักอาศัยวกหนึ่งคะแนนสำหรับการเอื้อเฟื้อที่พักแก่คนจรที่ต้องการและหรือสร้างถวายบูวิหาร กับกุติที่พำนักสำนักสงฆ์อาจร่วมบริจาคร่วมกับผู้อื่นด้วยจิตศรัทธาตากำลังใจแก่กล้าปรารถนาให้เกิดที่พำนักสงฆ์จริงๆก็ได้บุญพอกับทำด้วยกำลังของตนเองเพียงลำพังข้อ8ครูลบหนึ่งสำหรับการยอมรับนับถือและหรือขวนขวายช่วยเหลือครูที่สอนให้คิดพูดทำในทางเป็นบาปชมชอบการเบียดเบียน ขาดเหตุผลอันเป็นธรรมศูนย์คะแนนสําหรับการกลับไปกลับมาและหรือเปิดใจรับทั้งครูที่สอนเป็นบาปและเป็นบุญบวกหนึ่งคะแนนสําหรับการยอมรับนับถือและหรือกวนขวายช่วยเหลือครูที่สอนให้คิดพูดทําในทางเป็นบุญและการเบียดเบียนเปี่ยมด้วยเหตุผลอันเป็นธรรมข้อ9ความเฉลียวฉลาด ลบหนึ่งคะแนนสำหรับการเป็นผู้เกียจคร้านหรือขวนขวายน้อยในการศึกษาเมื่อเกิดปัญหาจะรอใครสักคนมาแก้ให้ไม่ชอบคิดเองไม่ชอบรับผิดชอบกับปัญหาของตนเองใครถามอะไรแม่รู้ก็เก็บงาไว้หรือแลกกับผลประโยชน์เท่านั้นศูนย์คะแนนสำหรับการเป็นคนศึกษาเล่าเรียนตามหน้าที่ให้พอรู้เมื่อเกิดปัญหาก็แก้ปัญหาเอาตัวรอดเฉพาะหน้า สลับกับการพยายามผลักภาระโยนปัญหาให้คนอื่นบวกหนึ่งคะแนนสำหรับการเป็นผู้ขวนขวายศึกษาเล่าเรียนด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากมีความรู้ความสามารถไว้ทําประโยชน์ให้ตนเองและสังคมกับทั้งชอบตอบคําถามที่ตนรู้ใครถามอะไรไม่เคยห่วงวิชาบางทีเห็นใครลําบากก็เสนอตัวสอนเองแล้วก็ไม่กลัวปัญหามีความภูมิใจที่ได้ใช้ความคิดความอ่าน แก้ปัญหาของส่วนรวมข้อ10วิธีใช้สติคิดอ่านลบหนึ่งคะแนนสำหรับการเป็นผู้ไม่สแสวงหาคำตอบว่ากรรมอันใดเป็นประโยชน์กรรมอันใดเป็นโทษทั้งในปัจจุบันและอนาคตเมื่อพบสมณะก็ไม่ใส่ใจคิดว่าตนรู้ดีอยู่แล้วไม่หัวโบราณล้าสมัยเหมือนอย่างนักบวชทั้งหลายศูนย์คะแนน สำหรับการรับฟังเทสนะธรรมจากสมณะตามๆกันไม่ออกท่าปฏิเสธบางครั้งแสดงความเคารพแต่ใจไม่ได้พิจารณาตามอัดตามธรรมที่สดับฟังอย่างจริงจังบวกหนึ่งคะแนนเป็นผู้มีวาสนาได้สดับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกมีความสงสัยใคร้รู้อย่างจริงจังว่ากรรมใดเป็นประโยชน์กรรมใดเป็นโทษทั้งในปัจจุบันและอนาคต เข้าหาสมณะถึงที่เพื่อสอบถามหรือสนใจซื้อหาตำรามาอ่านเองโดยไม่ต้องมีญาติมิตรขยันขยอชักชวนมากนอกจากนั้นยังไตร่ตรองด้วยความรอบคอบว่าสมณะใดกล่าวไว้ชอบมีความสมเหตุสมผลสมณะใดกล่าวไว้พิกลไม่สมเหตุสมผลโดยย่นย่อคือเป็นผู้สดับธรรมด้วยดีพิจารณาตามแล้วจึงกปงใจเชื่อว่า กรรมอย่างนี้ดีสมควรทำกรรมอย่างนั้นชั่วสมควรหลีกเลี่ยง